ที่ว่าหยุดได้เกิดการยับยั้งตนเองไม่ให้ถลายไปสู่ความชั่วความผิดสัจจะที่ว่ามาแล้วเป็นความเร็วของคนอื่นถ้าใครมีสัจจะมั่นคงจะทำอะไรก็ถึงจุดหมายได้เร็วแต่ธรรมนี้เป็นความหยุดตรงกันข้ามกับความเร็วพูดอย่างนี้ฟังยากหน่อยใช้ข้อเปรียบเทียบดีกว่ารถยนต์ที่วิ่งไปมาอยู่บนถนนใครๆก็ชมว่ามันดีดีกว่าเกวียน ซื้อกันด้วยเงินหมื่นเงินแสนคราวนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าความดีของรถยนต์นั้นคืออะไรอะไรเป็นความดีของมันถามอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรถูกแล้วส่วนมากก็คงจะว่าความเร็วนั่นแหละเป็นความดีของรถถูกถูกแล้วแต่ถูกเพียงครึ่งเดียวและเป็นคำตอบสามันขอโทษใครใก็ตอบได้ เพราะใครๆก็เห็นว่ารถมันวิ่งเร็วแต่ความดีของรถมันยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งแฝงอยู่อยู่เบื้องหลังของความเร็วคนทั่วไปมักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปเสียทั้งๆที่เป็นความดีที่สำคัญมากไม่น้อยกว่าความเร็วคือถ้าไม่มีลักษณะที่ว่านั้นแล้วรถทั้งคันถึงแม้จะวิ่งเร็วยิ่งกว่าลมกรดก็ใช้ไม่ได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าความดีที่ว่านี้คืออะไร ถูกแล้วคือความหยุดรถดีไม่ใช่เป็นแต่เพียงไปอย่างเดียวต้องหยุดเป็นด้วยถ้ารถคันใดเป็นแต่ห่อตะบันหยุดไม่เป็นก็กลายเป็นรถไม่ดีใครจะกล้าโดยสารธรรมดารถอย่าว่าแต่หยุดไม่เป็นเลยเพียงแต่หยุดช้าเหยียบห้ามล้อตั้งแต่นอนสามแยกเฉลิมบุรีไปจอดนิ่งเอาโ น, น่นสี่แยกเฉลิมกุงอย่างนี้เราก็ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆด้วยรถอยาง ว่านี้ถ้าไปมีอยู่เมืองไหนผู้คนก็แย่คงถูกชนตายปนปี้ความหยุดนี้สําคัญมากผมเองเคยพบเห็นมากับตัวแล้วรถที่ผมกําลังขับไปตามถนนด้วยตนเองเกิดห้ามล้อเสียโดยบังเอิญทั้งห้ามล้อมือทั้งห้ามล้อเท้าความรู้สึกของผมในขณะนั้นรู้สึกว่าหมดที่พึ่งเอาจริงเดชบุญว่าถูกตอนถนนว่างไม่เช่นนั้นจะตายไปกี่ศพก็ไม่รู้ ท่านผู้ฟังที่เคารพผมขอเรียนความจริงแก่ท่านว่าในการโดยสารรถนั้นธุระของท่านพึ่งความเร็วของมันแต่ชีวิตของท่านฝากไว้กับความหยุดของมันรถดีนั้นจะต้องไปได้เร็วด้วยครั้นถึงที่หยุดก็หยุดเร็วด้วยยิ่งหยุดปั๊บได้ทันทียิ่งดีคนเราก็เหมือนกันมีสัจจะคิดอ่านธรรมาหากินรวดเร็ว ด, ดีไม่มีใครว่าไม่ดีแต่ครั้น ตัวจะถลำไปสู่ความชั่วความคิดก็ต้องหยุดเป็นยังตัวยังใจได้จึงจะดีแท้เล่นกงหนึ่งก็แล้วกงสองก็แล้วกงสมก็แล้วกี่กงกี่กงก็แล้วหยุดไม่ได้สักทีคนห้ามล้อเสียอย่างนี้จะดีอย่างไรห่วงคิดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ จุดที่เราจะยับยั้งตัวเองให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงขอพูดถึงเรื่องห่วงคิดสักเล็กน้อยสำหรับปุตตุชนความนึกคิดก็มีดีบ้างชั่วบ้างสลับกันคืออย่างนี้ความคิดซึ่งเราทุกคนคิดกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่สองชนิดคือคิดดีกับคิดไม่ดีเกิดขึ้นสลับกันเพราะอำนาจธรรมและอาธรรมที่ครอบนาจิตเพราะฉะนั้นการทาการพูดและการคิดของปุตุชนจึงต้องฟุ้ง ไปสู่ความชั่วเป็นคราวๆเช่นโกรธเขาคิดโลภของเขาคิดมัวเมาในอบายามุขและอื่นๆเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนต่างกันแต่ว่าคนมีธรรมะพอตอนเองจะกล้าไปสู่ทางผิดก็ยั้งตัวไว้ได้ก่อนใจอยากจะด่าก็ยังไว้ไม่ด่าใจอยากจะเถียงก็ยังไว้ไม่เถียงอยากตบอยากตีก็ยังไว้ไม่ตบไม่ตีนี่ลักษณะคนมีธรรมะ ส่วนที่ไม่มีธรรมะเลยลงได้อยากอย่างไร <c oughs> ก็พุ่งไปสู่ความอยากนั้นอย่างเต็มที่ชนิดที่เรียกว่าหัวชนฝาทีเดียวเพราะไม่ยั้งตัวไวหรือยั้งเหมือนกันแต่มันยังไม่อยู่ห้ามล้อ ม, มันเสียลงได้ขาดความยับยัง้งมันก็ยับเยินเท่านั้นความคิดดีและความคิดชั่วของเราย่อมเกิดขึ้นเป็นห้วงๆดีชั่วสลับกันถ้าเขียนออกมาเป็นรูปก็คงจะเป็นรูปอย่างนี้ ในภาพนี้ท่านจะเห็นเส้นสีดำกับเส้นสีขาวพุ่งขึ้นเป็นกึ่งเส้นโค้งสลับกันยาวบ้างสั้นบ้างเป็นภาพสมมติแสดงเห็นว่าเส้นสีดาเป็นห่วงคิดทางผิดเกิดขึ้นแล้วดับแล้วห่วงคิดทางถูกซึ่งแสดงด้วยเส้นสีขาวก็เกิดขึ้นที่เส้นเหล่านี้ยาวบ้างสั้นบ้างแสดงว่าห่วงคิดชนิดนั้นๆดับลงเร็วบ้างช้าบ้างยกตัวอย่าง ถ้าเราโกรธใครนานๆก็หมายความว่าห่วงคิดสีดํายาวมากแต่ถ้าเพียงโกรธใครวูบหนึ่งแล้วก็หายก็เป็นเพียงจุดดําเกิดขึ้นข้างฝ่ายห่วงคิดถูกก็เหมือนกันถ้าตอนใดใจเราปรปับปรงเป็นบุญอยู่นานก็คล้ายกับว่าเส้นสีขาวพุ่งขึ้นสูงมากและยาวถ้าเพียงแต่เกิดใจกุศลขึ้นแวบหนึ่งเช่นเห็นพระแล้วยกมือไหว้ครู่เดียวก็เพียงแต่เกิดจุดขาวขึ้นในห่วงคิด ความคิดผิดและความถูกยอก่อมเกาะตัวขึ้นในวิถีความคิดสลับกันเป็นห่วงๆอย่างนี้เมื่อห่วงคิดนั้นเก่ะตัวแล้วถ้าเรายับยั้งเสียห่วงคิดนั้นก็ดับไปถ้าเราไม่ยับยัง้งมีแต่เติมเชื้อในวงเล็บคืออารมณ์โหมเข้าไปเข้าไปห่วงคิดนั้นก็ยืนอยู่นานเมื่อมีเวลาพอก็เลยสร้างกรรมดีกรรมชั่วต่อไปสุดแต่ว่ากรรมนั้นจะถูกแสดงออกจากห่วงคิดชนิดไหน ดำหรือขาวคนที่ทำความชั่วก็ทำในขณะที่เกิดห่วงคิดดำในวงเล็บชั่วเท่านั้นถ้าห่วงคิดดำดับซิก่อนเขาก็ยังไม่ทำเมื่อเกิดห่วงคิดดำขึ้นอีกในจังหวะต่อไปจึงทำชั่วต่อไปสังเกตดูตัวเราเองก็ได้ถ้าเห็นลูกหรือคนใช้ทำความผิดเราเกิดความเดือดดานอย่างแรงเรียกว่าห่วงคิดดากาลังเกิดขึ้น ถ้าเราเรียกตัวผู้ผิดมาสอบสวนลงโทษทันทีการลงโทษมักแรงเกินเหตุเสมอแต่ถ้าเราถ่วงเวลาพิพากษาไว้บ้างคืออย่าเรียกตัวมาทันทีทำงานอื่นไปสักเวลาหนึ่งก่อนจึงค่อยดำเนินพิจารณาเราจะรู้สึกได้ว่าความยุติธรรมแก่ผู้ผิดดีกว่าระยะก่อนเพราะตอนหลังนี้ห่วงคิดสีดำสลายตัวแล้วจิตของเรากาลังอยู่ในห่วงคิดสีขาว ถ้าเป็นกรณีสำคัญร้ายแรงมากก็อาจต้องเลื่อนเวลาไปหลายวันหรืออาจเป็นเดือนๆจึงพิจารณาเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวที่หนีตามกันไปแล้วพากันหลบซ่อนอยู่ที่อื่นสัก 5-6 ถึงเดือนจึงพากันกลับไปกรา บ, บพ่อตาแม่ยายก็ได้รับความเห็นใจและปลอดภัยถ้าสมมุติว่าหนีไปตอนหัวค่ำแล้วกลับไปตอนดึกหรือหนีตอนกลางคืนแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาให้เห็น มีหวังเจ็บตัวเพราะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เปลี่ยนห่วงคิดพูดมาถึงเรื่องห่วงคิดก็นึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านว่าการทำความดีนั้นได้เพียงชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้นก็ได้กุศลซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นคําพูดเลวไหลแต่ถ้าเล็งถึงห่วงคิดสลับกันดังกล่าวแล้วจะรู้สึกว่าท่านได้ให้หลักเกณฑ์ไว้ถูกต้องและแยบขายเพราะการทาความดีนั้น แม้แต่นึกจะทําดีหรือแม้แต่นึกถึงพระพุทธคุณแว บ, บเดียวเป็นต้นก็เป็นการก่อตั้งห่วงคิดสีขาวขึ้นซึ่งแม้ว่าจะสืบต่อไปไม่ได้คือเพียงแต่เกิดขึ้นแล้วดับเสียก็ยังเป็นประโยชน์คือเป็นการกันท่าไม่ให้ห่วงคิดสีดําเกิดขึ้นได้นับ ว, ว่าเป็นผลดีอยู่และการทําบุญที่ว่าได้บุญนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าการกระทําในวงเล็บที่เราเรียกว่าทําบุญนั้น เป็นการสร้างห่วงคิดสีขาวขึ้นหรือเพิ่มช่วงยาวของห่วงคิดสีขาวขึ้นให้ยาวมากๆบางทีทำบุญตลอดวันห่วงคิดสีขาวของเราก็คงอยู่ตลอดวันแต่ในระหว่างนั้นถ้ามีเรื่องจุกจิกที่ต้องโมโหโทโสห่วงคิดสีดำก็่วยโอกาสเกิดแทรกขึ้นการที่เราได้อยู่ในห่วงคิดสีขาวนั้นมันเป็นตอนที่ชีวิตของเรามีความปลอดภัยและเป็นความสุขยอดยิ่งของชีวิต ตราบใดที่เรายังต่อห่วงคิดสีขาวของเราไว้ได้ห่วงคิดสีดําก็หมดโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนเราสามารถรักษาดวงโคมของเราให้สว่างอยู่ได้ความมืดก็ไม่อาจรุมเร้าเข้ามาเล่นงานเราทํานองเดียวกันห่วงคิด2ออย่างจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ได้การอธิบายผลบุญว่าจะได้สวรรค์วิมานหลังจากตายไปแล้วเป็นการมองผลที่ห่างไกลเกินไป อย่าลืมว่าการทำความดีนั้นเป็นการทำความขาวสะอาดให้เก่จิตใจของผู้ทา พ, พร้อมขณะที่ทำนั่นเองถ้าถึงตรงนี้ขอแวะสักนิดเถอะคือเรื่องหมอดูผมหมายถึงหมอดูที่ต้องใช้ความคิดวินิจฉัยทางโหราศาสตร์ถ้าเราสังเกตให้ดีเวลาไปดูหมอจะเห็นว่าคําพยากรณ์ของหมอที่ทายให้เรานั้นแม่นเป็นหมู่เป็นหมู่เลวเป็นหมู่เป็นหมู่เช่น สมมติว่าหมอใช้เวลาพยากรให้เรา30นาทีจะปรากฏว่า15นาทีแรกหมอทักทายอะไรแม่นๆทั้งนั้น10นาทีต่อมาไม่เด้เรื่อง10นาทีหลังกลับได้เรื่องดีขึ้นอีกในวงเล็บนี่สมมติว่าแบ่งเวลาห่วงคิดเท่าๆกันถ้าจากเขียนคำพยากรณ์โดยประทึกตามลำดับที่หมอบอกก็จะพบว่าแม่นเป็นหมู่เป็นหมู่เร็เวเป็นหมู่เช่น คำพยากรข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4แม่นข้อ 5, ข้อ6ข้อเ็เลวข้อ 8, ข้อ9ข้อ10แม่นบางทีทายข้อเดียวถูกเป๋งบางทีทาย 3, ข้อ4ข้อผิดหมดที่เป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาจากด้านห่วงคิดดังกล่าวก็เนื่องจากการพิจารณาตกลงใจในวงเล็บพยากรณ์ออกมาจากห่วงคิดที่ต่างกันของผู้พยากรณ์ เมื่อห่วงคิดที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้สลับกันอย่างนี้การไปนั่งซักไซร้ไร่เรียงหมอดูนานเกินไปไม่ใช่ว่าท่านจะได้รับความแม่นยา ม, มากกว่าการใช้เวลาเพียง5นาที10นาทีก็หาไม่นักปฏิบัติธรรมจรึงพยายามรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้เราอยู่ในห่วงชนิดไหนในวงเล็บความรู้สึกอย่างนี้เรียกตามภาษาพระว่าสัพเพเญะแปลว่ารู้ตัวที่ว่า เป็นธรรมมีอุปการะมากถ้ารู้ว่าตนอยู่ในห่วงคิดสีขาวก็พยายามสืบต่อห่วงคิดนั้นไว้ไม่ให้ดับเสียแต่ถ้ารู้ว่าตนกําลังตกอยู่ในห่วงคิดสีดําก็ยับยั้งตัวเอาเองไว้และพยายามทําลายห่วงคิดนั้นเสียคืออย่าคิดต่อไปและอย่าคิดถึงอารมณ์ประเภทที่จะเป็นเชื้อของห่วงคิดนั้นหรือถ้าถึงกับลงมือทําชั่วผิดทําแล้วก็หยุดเสีย ยั้งตัวยั้งใจไว้ความยั้งใจนี่แหละคือธรรมะในลักษณะที่ว่าหยุดท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่ารถที่ไม่มีห้ามล้อคือเป็นแต่ไปหยุดไม่เป็นเป็นรถเสียใช่ไม่ได้หรือแม้แต่เพียงห้ามล้อเสียหยุดไม่ให้ทันท่วงทีก็เป็นอันตรายดังกล่าวแล้วคนเราก็เหมือนกันคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนรถไม่มีห้ามล้อและคนที่มีธรรมะที่ฝึกหัดอบรมไม่ดีคือยั้งตัวไม่ได้ทันท่วงที ก็เหมือนรถห้ามร้อเสียคนอย่างว่านี้อยู่ที่ไหนเป็นภัยที่นั่นประเดี๋ยวชนคนนั้นประเดี๋ยวชนคนนี้มิตรภาพที่เคยมีไว้ก็แตกหักผลปี้เหมือนความเสียหายที่เกิดจากรถไม่มีห้ามล้อนั่นแหละบางทีอยู่บ้านหาใครชนไม่ได้ก็ชนลูกชนเมียชนพ่อตาแม่ยายจนกระทั่งคนใช้ลงเรือจ้างก็ชนคนเก็บสตางค์ ขนรถเมย์ก็ชนเด็กกระเป๋าไปติดต่อการงานก็ชนกับเจ้าหน้าที่เขารวมความว่าให้มีอันเดือดร้อนโกลาหลโอละเวงไปหมดทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ครองเรือนทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสต้องพยายามฝึกอบรมให้เป็นคนมีธรรมะไว้พูดง่ายๆคือให้เป็นคนหยุดเป็นคนที่ได้คู่ครองที่ไม่มีธรรมะก็ไม่ผิดอะไรกับคนโดยสารรถที่ไม่มีห้ามล้อ เวรกรรมแท้ๆความขมที่ว่าขมซึ่งข้าพเจ้าตั้งเป็นลักษณะที่สามของธรรมะนั้นหมายความว่าขมตัวขมใจของเราเองท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจว่าตัวเรานี้ถ้าปล่อยไปตามอํเาเภอใจมันนับวันจะจองหองพองขนเพิ่มความลําบากขึ้นไปเรื่อยหาที่สิ้นสุดยากแม้ตัวเราเองก็ตามตัวเองไม่ทันโปรดคิดดูเมื่อเด็กๆ เ, เราไม่สูบบุหรี่ก็อยู่ได้อย่างสบาย ครั้นต่อมาต่อมาเราเกิดสูบบุหรี่สูบเข้าสูบเข้ามันเลยติดต้องหาให้มันสูบเรื่อยถ้าไม่มีให้สูบตัวมันไม่ยอมแม้พวกที่ติดบุหรี่เดิมสูบบุหรี่ใบจากหรือใบตองก็สูบได้สูบมาแต่เล็กจนโตแต่พอไปริสูบบุหรี่ซิการ์ติดติดกันสักสองถึงสซองทีนี้จะหันกลับไปสูบใบจากใบตองอีกปากมันไม่ยอมมันบอกว่าเสียเวลานานเหม็นจะตาย จะให้สูบเข้าไปอย่างไรผลที่สุดเราก็ต้องเป็นขี้ข้าหาบุหรี่สิการ์มาให้มันสูบถึงกับขอคนอื่นก็ยอมบางทีขอทั้งมวลไม่ได้ขอแต่ก้นก็เอาแล้วคนที่สูบบุหรี่ตราพระจันทร์เกรดทองก็ลองดูเถอะลองไปริสูบบุหรี่กระป๋องสัก 2-3 ถึงกระป๋องติดติดกันแล้วหันกลับมาหาพระจันทร์เกรดทองปากมันชักจะไม่ยอมเสียอีกแล้ว นั่งรถไฟก็เหมือนกันชั้นที่สองที่สนั่งมาได้ตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ทีนี้ลองไปนั่งชั้นที่1สัก2อถึงสเที่ยวพอจะหันกลับไปชั้นที่สองที่สอีกมันแสนจะอึดอัดใจม้านั่งก็แข็งผู้คนก็จุ่นจ้านนั่งไม่ลงรวมความแล้วสันดานคนเราใจมันเติบไม่ชอบลถชอบแต่เพิ่มถ้าใครไม่ขม่มตัวข่มใจไว้บ้างนานๆเข้าก็ตกเป็นทาสของตัวเองแย่ทุกคน กายุ่งครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าคนที่จะปกครองตัวต้องเรียนรู้ความยุ่งยากของตัวเองก่อนอย่ามองตัวในแง่สะดวกสบายจนเกินไปคือท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความยุ่งยากตั้งแต่ผมบนศีรษะลงไปจดพื้นท้าเราจะต้องปฏิบัติต้องจับจ่ายเงินทองไปเสียทุกอย่างลองสอบสวนดูเริ่มแต่ผมบนศีรษะ ลองถามมันดูสิว่าเจ้าผมดำๆที่เกิดอยู่บนศรีรษะของเรานี้ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันเคยช่วยเราหาเงินหาทองได้สักสตางหรือเปล่าเปล่าเลยพวกตาพวกหูเสียอีกยังพอมีบ้างแต่เจ้าผมบนหัวไม่เห็นเคยมีหรือใครเคยมีบ้างที่ผมตัวเองช่วยหาเงินทองให้แล้วที่มันไม่มีทางได้อย่างนี้มันมีทางจ่ายบ้างหรือเปล่า อ๋อแน่ละประเดี๋ยวขอค่าตัดผมขอน้ำมันใส่ผมขอหวีหวีผมจิปาถะถ้าเป็นผมผู้ชายก็ก อ, อย่างชั่วหน่อยขอโทษเถอะฝ่ายท่านสุภาพสตรีแย่หน่อยโดนผมมันเล่นงานทั้งขึ้นทั้งล่องมันบอกว่าถ้าอยากสวยต้องปล่อยชั้นไว้ ย, วยาวๆสิอย่าตัดชั้นครั้นปล่อยไว้ ย, วยาวๆมันกลับบอกว่ายาวเกินไปเสียแล้วต้องไปจ้างเขาตัด ให้ฉันงอฉันหงิกสิเสร็จแล้วก็ต้องมีกิฟตมีแก๊บอีกหลายอย่างผมเองก็เรียกไม่ค่อยถูกหนึ่งประตูละเราต้องจ่าย ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีไรายได้ทดแท่เลยพอผมได้ตา ก, ก็เกิดอยากได้บ้างเขาอ้างว่าฉันต้องดูโน่นดูนี่ให้ทั้งวันนายรักเขาก็ใช้ให้ฉันดูคนที่นายรักนายโกรธเขาก็ใช้ฉันดูคนที่นายโกรธ ดูจนตาเปียกตาแฉะที่ผมอยู่เฉยๆงานการไม่ทำทำไมจึงได้ให้ฉันบ้างสิพาฉันไปดูหนังบ้างสิพาฉันไปดูละครบ้างสิผลที่สุดเราทนไม่ไหวก็ต้องพาเข้าไปเห็นไหมที่หน้าฉเฉลิมกรุงฉเฉลิมไทยเต็มไปหมดจนถึงแย่งกันซื้อตัว๋วแย่งกันเข้าประตูเสียกริยามารยาทเรื่องเสียอ้อนวอนตาไม่ได้ทั้งนั้น จะไม่พาไปดูหรือก็ครัวตาจะน้อยใจแล้วตานี่มันขี้สําออลลงได้น้อยใจแล้วมันมีน้ำไหลซึมออกมาน่าสงสารปากยิ่งแล้วใหญ่ยุ่งมหายุ่งมารวมที่ปากนี่แหละมันไม่ใช่ใหญ่โตเหมือนปากห้วยปากเหวปากเล็กๆจิมจ๋มๆของคนเรานี่แหละแต่มันยุ่งกลบเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มถ้าเป็นปากธรรมดาสามันก็ค่อยยังชั่วหน่อยกินแต่ข้าวกับน้าก็ได้ พอที่มือทั้งสองจะหามาเลี้ยงได้ไม่เหลือวิสัยแต่ปากวิสามันแย่ yeah. ต้องมีเหล้ามียาบางรายก็เลื่อนไปชั้นพิเศษสูบฝิ่นสูบกัญชาใครโดนเข้าก็แทบล้มทั้งยืนความจริงปากดั้งเดิมที่เรารับมาจากคุณพ่อคุณแม่มันไม่ยุ่งยากมากมายแต่เรามันผิดเองมาเผลอเสียเมื่อตอนเป็นหนุ่มไม่ได้สร้างวัดไว้ที่ปากผีมันเลยสิง พอกลายเป็นปากผีสิงแล้วเลยยุ่งใหญ่ต้องบนบานสารกล่าวกันเรื่อยข้าวปลาอาหารลูกเมียจัดไว้ให้ออกเต็มสำรับท้องก็หิวว่าจะกินให้อร่อยอร่อยเจ้าปากมันไม่ยอมมันบอกว่าต้องกงหนึ่งก่อนไม่เช่นนั้นฉันไม่เจริญอาหารเพื่อนฝูงมาเยี่ยมว่าจะคุยกันให้สนุกสักหน่อยเจ้าปากมันไม่ยอมต้องบนครึ่งขวดขอนขวดจึงจะยอมคุยให้สนุก หลักเข้าไม่ว่าจะขยับทำอะไรต้องบวนทั้งนั้นชั้นที่สุดแม้แต่จะทำบุญสนทานผีปากมันยังคอยแทรกแซงให้ต้องมีเหล้ามียาจะไปชวนคนอื่นบวชนาคทอดกระถินผีปากก็คอยกระซิบถามว่าไปแล้วจะมีเหล้ากินหรือเปล่าผู้คนเขาคิดจะทำบุญสนทานก็เลยพลอยหนักอกหนักใจไปด้วยเรื่องปากเล่ากันไม่รู้จักจบยุ่งแต่ตัวแล้วยังไม่พอยังแถมสอดเก่งด้วย ไม่ว่าใครจะขยับไปทางไหนปากเอากับเขาทุกทีอย่างวันนี้เราตกลงจะพาตาไปดูหนังสักหน่อยพอปากรู้เรื่องไม่ว่าอะไรไปก็ไปหนังเลิกขอฉันสักชามเถอะหรือแม้แต่ท่านจะฟังปลาถกถานนี้ก็เหมือนกันตื่นเช้าตั้งใจว่าวันนี้จะไปฟังปลาถักฐาที่วัดกันสักหน่อยเจ้าปากรู้เรื่องก็รีบตั้งกระทู้ถามทีเดียวว่าที่จะไปนะ่ะ จะผ่านทางไหนจะให้ฉันกินกลางวันก่อนจึงฟังปถาถกถาหรือจะฟังปลาถกถาก่อนแล้วจึงให้ฉันกินแต่ว่าทางที่เหมาะควรจะให้ฉันกินก่อนแล้วค่อยฟังและพอเลิกปลาถกถาแล้ว <c oughs> ก็ควรจะให้ฉันเด้แวะกินของว่างๆสัยอีกครั้งฟังดูก็แล้วกันตกลงก็คือจะกินให้ได้ถ้าไมา่ให้กินก่อนก็กินหลังถ้าไม่ให้กินหลังก็กินก่อน ราท่าก็กินทั้งก่อนทั้งหลังเลยท่านผู้ฟังคิดต่อไปเอาเองก็แล้วกันจะเห็นว่าทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเต็มไปด้วยความยุ่งยากทั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินน้อยผมจึงว่าการปกครองตัวไม่ใช่งานเล็กน้อยทุกคนจะต้องคิดว่าเรานี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเหมือนกันแต่เราก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินน้อยเพราะพระราชอาณาจักรของเรามันแคบ ก้มลงดูตัวของท่านสิเท่านี้เองพระท่านวัดไว้แล้วว่ากว้างสอกในวงเล็บวัดด้านกว้างยาวาในวงเล็บวัดแต่ผมถึงเท้าหนาคืบในวงเล็บวัดด้านสีข้างนี่แหละอาณาจักรที่เราจะต้องปกครองดูแลบำรุงทุกบำรุงสุขให้ทั่วถึงเอาไว้ไหมละ่ะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักแผ่นดินผืนน้อ ย, น, อยนี่แหละ คนที่ปกครองไม่ดีต้องเสียเอกราชไปแล้วไม่ใช่น้อยท่านผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นต้องให้กรมราชทัณฑ์ช่วยปกครองให้ปีละหลายร้อยหลายพันคนปัจจัยสําคัญสําหรับการปกครองอยู่ที่ไรายได้รายจ่ายพูดง่ายๆคือเรื่องการคลังถ้าการคลังมั่นคงดีการปกครองก็มักจะเรียบร้อยวิธีการปกครองแผ่นดินภายนอกรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ล่วงหน้าว่ากระทรวงไหนจะใช้เงินเท่าไหร่ ถ้ากระทรวงไหนขอมามากนะักก็ตัดลงให้พอเหมาะกับรายได้ทำอย่างนี้บ้านเมืองจึงจะไม่ยุ่งการปกครองอาณาจักรน้อยๆของเรานี้ก็เหมือนกันต้องมีงบประมาณไว้จึงจะไม่ยุ่งเราเองต้องรู้ว่ารายได้ของเรามีเท่าไหร่สมมุติว่าเดือนหนึ่งเรามีรายได้ 1,000 งับาทเราก็ตั้งงบรายจ่ายลงไปว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างกระทรวงผมจะเอาเท่าไหร่ กระสวงตาจะเอาเท่าไรกระสวงปากจะเอาเท่าไรและกระสวงอื่นๆไล่ไปให้ครบคิดรายจ่ายประจำแล้วก็ต้องคิดถึงการจอว่าในระยะต่อไปนี้เราจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายพิเศษอะไรบ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันลานจากน้อยๆของเราหรือการทานุบำรุงแผ่นดินถ้ากระสวงไหนเสนอ ม, มามากนะักเราก็ต้องตัดลงอย่างเช่นกระรวงตา เสนอมาของงบประมาณดูหนังเดือนหนึ่งสครั้งเราพิจารณาแล้วรายได้แผ่นดินไม่เพียงพอก็ตัดลงให้ไปสักหครั้งถ้าห้าครั้งยังไม่พอก็ตัดลงไปอีกให้ไปครั้งเดียวหรือครั้งเดียวก็ไม่พอก็ตัดหมดเลยหรือตาจะว่าอย่างไงถ้าไม่พอใจจะเสด็จไปดูเองก็เชิญที่พูดมานี้ไม่ใช่นอกเรื่องนี่แหละธรรมะ ข่มตัวข่มใจข่มอย่างนี้ที่เราต้องข่มก็เพราะจำเป็นจะต้องเผื่อแผ่ธรรมนุบบำรุงให้ทั่วถึงทุกตำบลทั่วแผ่นดินน้อยๆของเรามิให้เกิดการขาดแคลนหรือเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเห็นไหมบางคนนาฬิกาข้อมือมันหยุดเดินตั้งสามเดือนแล้วก็ยังอุตส่าห์ผูกไว้เพราะเขากลัวข้อมือจะน้อยใจมันเป็นนโยบายการปกครองภายในประเทศของเราเราเป็นต่างประเทศ อย่าไปเที่ยวแทกแซงเข้าประเดี๋ยวเขาจะหาว่าล่วงล้ำอธิปไตยเกิดพิพาทรบรากันขึ้นที่เรามา น, นี้ทำให้ท่านผู้ฟังหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องสนุกทุกทั้งเพคนเรานั้นมีความจนเป็นพื้นแต่ถ้ารู้จักจัดสรรงบประมาณให้ดีพอแก้ไขไปได้ถึงจนก็จนอย่ามีระเบียบมีคนสงสารคนที่จนไม่มีระเบียบมีเหมือนกัน คือไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งไม่จำเป็นแต่ปล่อยให้ขาดในสิ่งจำเป็นเมียนอนจับไข้สั่นงอกออยู่ที่บ้านไม่กล้าซื้อยาให้กินขวดละ5บาท10บาทก็บ่นกระปอดกระแปดไล่ให้ไปขอยาฟรีที่โรงพยาบาลครั้นไม่ได้ก็ผ่านกล่าวโทษลามปามไปถึงรัฐบาลทีเล่าขวดละ20บาท30บาทซื้อกินได้ทุกวันไม่มีบ่นสักคายาหยอดตาลูกขวดละหกสลึงเท่านั้น ลืมอยู่ได้ทุกวันเหมือนกันแต่เล่าสิไม่เคยลืมแม้แต่วันเดียวดูหนังดูละครโครมโครมนัดไหนนัดนั้นแต่ข้าวสารที่จะหุงให้ลูกกินต้องไปเที่ยวกวนชาวบ้านเขานี่เล่าเรื่องคนจนไม่มีระเบียบจนอย่างนี้ใครจะสงสารพูดมาถึงตรงนี้ขอแวสักนิดเถอะคืออยากพูดถึงข้าราชการและต้องขอโทษ ด, ด้วยผมเองก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน ข้าราชการสมัยหลังสงครามนี้พากันอดครวนมากว่าเงินเดือนไม่พอใช้ดังที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันอยู่แลว้วดูผมแลว้วส่วนมากก็ไม่พอจริงๆลูกเมียลำบากมากแต่บางคนทำให้มันไปโป่งอีกเสียอีกทางหนึ่งคือทางเหล้าทางยาเหล้ายาปลาปิ้งมันแรงเกินไปเงินก็ยิ่งไม่พอใช้ทีนี้ปากตะโกนว่าเงินไม่พอใช้ไม่พอใช้แต่มือกาขวดเหล้าไม่วาง อย่างนี้ใครจะสงสารมันสงสารไม่ลงจริงๆไม่ใช่เขาใจจืดใจดำถ้าสมมติว่าท่านข้าราชการพากันงดเว้นเครื่องดองของเมาแล้วเงินมันไม่พออย่างนี้สิใครๆก็สงสารบางทีประชาชนอาจขอร้องรัฐบาลให้เพิ่มเงินเดือนแก่ข้าราชการหรือเรียรายกันมาบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการก็เป็นได้ผมต้องขอโทษเพื่อนข้าราชการอีกครั้งขอโทษจริงๆเหตุผลมันออกมาอย่างนี้ ทั้งนี้ก็ด้วยหวังจะช่วยหาทางปรับงบประมาณแผ่นดินของท่านให้เข้าสู่ดุลยภาพนั่นเองการอดยาเสพติดเป็นวิธีเพิ่มรายได้แก่ตัวเองที่ง่ายที่สุดและแน่นอนที่สุดที่พูดมายืดยาวนี้เล่าถึงความยุ่งยากในการปกครองตัวซึ่งมีอยู่ไม่น้อยและที่ว่ามานี้เพียงแผ่นดินเดียวเท่านั้นก็ยุ่งถึงอย่างนี้แล้วสาร้ายคนเราใจมันเติบ มีแผ่นดินเดียวแล้วไม่พออยากมีเมืองขึ้นอีกความยุ่งมันก็เพิ่มขึ้นอีกถ้าใครได้เมืองขึ้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพย์ในดินสินในน้ำก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าเกิดไปได้เมืองขึ้นที่แห้งแล้งมีแต่กรวดแต่ทรายแย่จริงๆอย่าลืมว่าคนที่มาเป็นเมียเราเป็นผัวเราเขาก็ยุ่งมาเต็มตัวมีลูกกี่คนกี่คนตัวยุ่งทั้งนั้นเพราะมันยุ่งนี่แหละจึงต้องข่มตัวไว ยังตัวไว้คืนปล่อยตามอำเภอใจปรีเดียวจะตามตัวเองไม่ทันแล้วรู้ว่าคนเราต่างคนก็ยุ่งเต็มตัวด้วยกันจงรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเวลาลูกเมียหรือคนใช้ทำอะไรให้ไม่ทันก็นึกเสียว่าเขาก็ยุ่งเต็มตัวเขาเหมือนกันไม่ได้ยุ่งแต่เราการไปเที่ยวกะเกณฑ์คนอื่นจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดเราเองต้องร้อนใจ คือความต้องการของเรามันเผาใจเราเองคารวสาสธรรมลำดับที่3ขันติธรรมะขันติธรรมะของผู้ครองเรือนข้อที่3คือขันติแปลว่าความอดทนหรือความเข้มแข็งฟังดูก็คล้ายๆจะซ้ํากับธรรมะที่อธิบายมาแล้วเพราะเป็นลักษณะหยุดยั้งตัวด้วยกันแต่ที่จริงไม่ซ้ําขันติละเอียดกว่าธรรมะ เป็นการหยุดด้วยกันก็จริงแต่หยุดสนิทนานกว่ากันแนบเนียนกว่ากันปลอดภัยกว่ากันเป็นการหยุดที่มีความก้าวหน้าอยู่ในตัวได้เทียบกับรถยนต์มาแล้วคือสัจจะเทียบกับความเร็วธ ร, รมะเทียบกับความหยุดส่วนขันตินั้นเทียบกับการดับเครื่องยนต์โปรดฟังอธิบายต่อไปรถจะถลาลงครองเราเหยียบห้ามล้อไว้ไม่ให้มันไปธรรมะเทียบได้ ก, กับการเหยียบห้ามล้อนั่นเอง ทีนี้รถที่เราเหยียบห้ามล้อไว้แล้วมันไม่พุ่งต่อไปก็จริงแต่เมื่อเครื่องยนต์ยังติดอยู่ก็เผลอไม่ได้ถ้าเผลอปล่อยห้ามล้อเมื่อไหร่รถก็กระโจนพรวดต่อไปอีกและแม้จะไม่เผลอกดล้อไว้สนิทแต่เมื่อเครื่องยนต์ยังติดอยู่เครื่องยนต์ก็ร้อนเกิดความสึกหรออยู่เรื่อยและความสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าเราดับเครื่องมันเสียให้เครื่องเย็น ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยและปลอดภัยดีกว่าการหยุดด้วยลำพังห้ามล้อกับการหยุดด้วยการดับเครื่องได้ผลสนิทแนบเนียนกว่ากันอย่างนี้ธรรมะเหมือนการหยุดด้วยห้ามล้อแต่คันติเหมือนกับการดับเครื่องเสียศึกษาทางปฏิบัติต่อไปมีคนด่าโครมาเราคว้าดาบจะฟันเขาแต่เกิดสติเตือนตัวฉุกคิดขึ้นได้ว่ายาหรือหยุดแล้ววางดาบเสีย ลักษณะอย่างนี้คือธรรมะได้เกี่การบังคับตัวเองให้หยุดทําเช่นนั้นในทันทีทันใดแต่แม้จะหยุดแล้วในใจก็ยังเดือดปุดปวดหน้ายัางแดงมือมาอ้ายังสั่นยังขบกรามแน่นนี่คือผลของการข่มด้วยธรรมะช่วยได้เท่านี้แต่คนที่อยู่ในลักษณะอย่างว่านี้ก็ยังวางใจไม่ได้ประเดี๋ยวเผลอตัววูบเดียวก็คว้าดาบเข้าใส่อีกเท่า น, นั้นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสตินึกถึงเหตุผลต่างๆให้ใจสงบ ให้เกิดความเย็นขึ้นในใจการที่ทำใจให้เย็นลงได้นี่แหละคือขันติพอขันติเกิดขึ้นแล้วเราก็กินได้นอนหลับสบาย